คุณประกอบเป็นไงภาวนาทาได้เรื่อยๆครับอาจารย์ตอนนี้ก็พยายามที่จะไ ม, ม่ประดยรู้ตัวแราก็จะพยายามไม่ไม่จะยังป่อยให้เป็นธรรมามท่สุดะครับอาจารย์คือการปฏิบัติบางทีเราบอกว่าไม่ปฏิบัตินะเคยมีคนไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังสมมา ส, มาสอนบอกไม่ต้องปฏิบัตนะิที่จริงก็คือเราปฏิบัตินั่นเอง โดยการรู้เท่าทันพฤติกรรมของใจเราใจเราเนี่ยชอบแอบไปทํางานมันจะทํางานมันมีความอยากเกิดขึ้นก่อนแล้วมันก็ทํางานเ <mostrar> ช่นมัน <mostrar> อยากดูแล้วมันวิ่งไปดูพอวิ่งไปดูแล้วมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลตามมานะมันอยากจะฟังมันวิ่งไปฟังนะแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์กุศลอกุศลมันอยากรู้เรื่องมันอยากคิดนะวิ่งไปคิดแล้วก็เกิดความรู้สึกต่างๆตามมา ของเราไม่ต้องทําอะไรเนระคอยรู้ทันพฤติกรรมของใจเราจนะิตใจเราวิ่งไปดูวิ่งไปฟังแล้วมันก็ปรุงแต่งสุขทุกข์กุศลอกุศลขึ้นมาเราก็คอยรู้ไปนะถ้าเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้ในที่สุดไอ้ปัญหาคือความอยากเนี่ยครอบงําใจไม่ได้ความปรุงแต่งหรือการทํางานทางใจก็จะดับไปปัญนะหาหรือราคานะหรือความอยากอะไรพวกนี้ เป็นต้นต่อนั่นหนึงว่าเป็นตัวสมุทยัยแล้วก็เกิดการทํางานทางใจเรียกว่าการสร้างพบเรียกว่าตันหาเป็นผู้สร้างพบนิพพานเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะว่าวิราคะวิราคะคือไม่มีตันหา น, นั่นเองอีกชื่อหนึ่งว่าวิสังขารไม่สร้างพบไม่ปรุงแต่งงั้นถ้าเรารู้เท่าทันลงไปที่ใจของเราจริงจนะจนมันหมดความอยากหมดความปรุงแต่จริงๆเนะีเราจะสัมผัสกับธรรมะ ตรงๆเลยนี่พวกเราบางทีเราเข้ามาตรงนี้ไม่ไหวนะก็ต้องมีการปฏิบัติที่อ้อมๆเข้ามานะไปดูวโน้นดู น, นี้ดูแล้วก็ค่อยๆปล่อยวางไปนะค่อยๆปล่อยมันจะทวนกระแสะเข้าหาจิตใจตัวเองงั้นใครทำได้ระดับไหนก็ทำนะดูเข้ามาถึงจิตถึงใจรู้เท่าทันตัณหารู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตไปได้เลยก็เข้ามาตรงนี้เลย ขาดตรงนี้ก็มองเห็นเลยถ้าเข้ามาดูตรงนี้ไม่ได้เราก็ดูอย่างอื่นมาก่อนเช่นเราดูร่างกายหรือเราคอยดูความรู้สึกทั้งหลายนี่อ้อมนิดหน่อยแต่ว่าเป็นทางผ่านดูความรู้สึกเช่นเดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ตายดูไปเรื่อยๆต่อไปก็เห็นความอยากอะไรนิดหนึ่งขึ้นมาก็เห็นแล้วการปรุงแต่งอะไรซึ่งนิดหนึ่งก็เห็น เรารู้จิตไม่ได้ก็รู้กายไปเนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนยะเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกนะเห็นมันเป็นวัตถุที่เคลื่อนไหวนะเป็นวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างการที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนยะอย่าไปเพ่งใส่ลมหายใจแล้วเพ่งก็เป็นสมถะเราก็จะเห็นวนะ่าวัตถนะุเห็นธาตุธนะาตุนี้ไหลเข้าไปในกะ้อนธาตุตัวนี้ไหลออกไปเห็นธาตุ หรือร่างกายเรายืนเดินนั่งนอนนะต้องขจัดความรู้สึกที่ว่ามันตัวเรายืนเดินนั่งนอนออกไปรู้สึกลงไปตรงๆลยจะเห็นเลยไอ้วัตถุหรือต้นธาตุเนี่ยมันยืนมันเดินนั่งนอนมันคู่มันเหยียดมันเคลื่อนไหวเห็นตัววัตถุเห็นตัวธาตุหรือจะดูร่างกายเป็นตัวทุกข์ก็ได้นะอย่างเราหายใจเข้าเราหายใจออกนะหายใจเข้าหายใจออกจริงๆก็เพื่อบำบัดความทุก หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์นะหายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์ไม่หายใจก็ทุกข์นั้นเราหายใจเข้าไปเราหายทุกข์หายใจไปเรื่อยๆเป็นทุกข์อีกแล้วต้องหายใจออกอีกแล้วั้นมันมีแต่ทุกข์ทั้งหมดเลยเห็นกายนี้เป็นตัวทุกข์หรือเราจะยืนเดินนั่งนอนเรานั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวเมื่อยเมื่อยต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยวคันต้องเกาเนี่ยมันมีแต่เรื่องต้องบำบัดทุกข์ไปเรื่อยๆเศร้ารู้กายอยู่เห็นกายเป็นทุกข์นะ เราเห็นกายเป็นทุกข์จิตใจมันก็เลิกดินน้นรนอะไรเกิดขึ้นกับกายใจก็ไม่ทุรนทุรายใจเริ่มสงบจากตัณหาจากการดินน้นรนเพน้นบางทีถ้าเราตัดตรงเข้ามาถึงาธาตุรู้ของเราตรงๆไม่ได้นะเราก็อ้อมมาทาสติปัฏฐานมารู้กายรู้กายไปเรื่อยในที่สุดก็จะเข้ามาถึงจิตเอง รู้เวทนาก็ได้นะเห็นความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นในกายบ้างในจิตบ้างเฝ้ารู้ไปเห็นเวทนาเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้มาเฝ้ารู้ทันจิตใจเดี๋ยวเดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลเป็นอกุศลเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้เห็นจิตจะเผลอนี่ห้ามไม่ได้เปนเผลอจิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกตัวไม่ได้ในตรงนี้พวกเราส่วนใหญนะ่นักปฏิบัติจะไม่เข้าใจตรงนี้ เราคิดว่าสั่งให้มันรู้สึกได้เราพยายามจะให้รู้สึกเช่นพยายามกําหนดเนะพยายามกําหนดลมหายใจเพื่อจะไม่ให้ขาดสติพยายามจะขยับมือขยับเท้านะตามดูท้องอะไรเนี่ยหวังว่าจะให้สติเกิดสติไม่ได้เกิดด้วยวิธีนี้นในพระคัมปีของเรานะสอนไม่ชัดๆเลยนในอภิธรรมปีดกสอนไหม สติเกิดจากการที่จิตมันจำสภาวะได้ไม่ใช่เกิดจากบังคับให้มันเกิดได้ไม่มีเรื่องพวกเราค่อยๆทำความเข้าใจงั้นหน้าที่ของเราไม่ได้ไปบังคับตัวเองให้มีสติขึ้นมาค่อยๆรู้สึกไปตามรู้กายตามรู้ใจรู้เล่นๆอย่าไปเพ่งใส่มันส่วนใหญ่พอรู้กายก็เพ่งกายรู้ลมหายใจเพ่งลมหายใจรู้มือก็เพ่งมือรู้เท้าเพ่งเท้ารู้ท้องเพ่งท้อง การเพ่งการเพ่งตัวอารมณ์เนี่ยมีชื่อเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเนเรื่องของสมถะล้วนๆเลยพวกเราเขาอุตสาห์ทำเราคิดว่าเพ่งไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดบ้างปัญญาจะเกิดบ้างไม่เกิดหรอกเป็นที่พักผ่อนนี่อยากให้สติปัญญาเกิดนะอยากให้สติเกิดก่อนก็มีสติแล้วจะมีปัญญาอยากให้สติเกิดเนี่ยตามรู้กายไปร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไป จิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปมันแอบทำงานไงคอยรู้ไปเรื่อยๆต่อมาพอจิตมันจำสภาวะได้ร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองโดยไม่ได้เจตนาจะรู้จิตใจเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นเองโดยไม่เจตนาจะรู้จะรู้ขึ้นมาเองตรงที่รู้ขึ้นมาเองเนี่ยสติตัวจริงสติเป็นความระาลึกได้สติไม่ใช่แปลว่ากาหนดนะ ในพระไตรปิฎกแปลสติว่าความะระลึกไดนะ้รุ่นหลังๆเราไม่ชอบแปลว่ากําหนดในอธิกาสอนด้วยว่ากําหนดไม่ได้สติอันกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์นะเป็นตัวทุกขสอนขนาดนี้ตัณหาอยู่เบื้องหลังการเอาสติกําหนดรูปนามนี่ตัวสมุทยสอนเราไว้ขนาดนี้พวกเราก็อยากปฏิบัติมีตัณหาลงมือกําหนดทําในสิ่งที่ท่านห้ามทั้งหมดเลย หนีไปคิดทราบไหมนะนะของพูดแหละนะนะค่อยๆหัดรู้สึกนะหัดรู้ทันนะพยักหน้ารู้ไหมนะเออรู้ทีหลังนะไม่ใช่อาละต่อไปนี้จะพยักหน้านะอย่างนี้ไม่ได้นะคล้ายกิ้งกะนะเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ว่าเคลื่อนไหวนะสติจะเกิด เกิดความสุขความทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นในจิตแล้วก็ค่อยรู้นะรู้ทีหลังสติถึงจะเกิดนะงั้นาการสอนสติปัฏฐานจะเห็นท่านจะใช้คํ า, า, า, นะ า, า, า, าว่าการตามรู้กายานุปัสสนาแปลว่าการตามรู้กายหมายถึงกายเคลื่อนไหวแล้วก็ระลึกขึ้นได้ว่ากายเคลื่อนไหวสติจะเกิด จิตใจเคลื่อนไหวจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลแล้วก็รู้ว่ามันเกิดสุขทุกข์กุศลอกุศลสติก็จะเกิดส่วนในขั้นเมื่อเกิดสติแล้วจิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิมันเกิดมีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยจิตใจมันคอยรู้กายรู้ใจอยู่นอันนี้เป็นการทําสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญาคนละขั้นกันนะ สติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติกับสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญามีสองอันถ้าสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสตินะให้ตามรู้กายตามรู้ใจแ ต, แต่พอถึงขั้นเจริญปัญญานี่มีสติรู้กายอยู่ในปัจจุบันเราจะเห็นเลยไอ้ตัวที่กระตุกกระติกอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่เรียกว่าเจริญปัญญานะรู้กายรู้ลงปัจจุบันแต่รู้จิตก็ยังเป็นการตามรู้เหมือนเดิมนะั่นแหละ งั้ไม่เหมือนกันนะค่อยๆเรียนไปมันมีแง่มุมของการปฏิบัตินะค่อยๆทําความเข้าใจนะฟังอัตมาครั้งเดียวสับสนวุ่นวายไม่เป็นไรนะมีเคล็ดลับในการฟังอัตมาพูดนะถ้าใครจับเคล็ดลับได้ก็สบายใครจับไม่ได้นะไม่รู้เรื่องหรอกนะฟังอัตมาพูดนะนะไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้นะไม่ได้ฟังไม่ได้พูดให้รู้เรื่องนะ ฟังอาตมาพูดไปเรื่อยๆ แ, แล้วสังเกตใจของเราใจของเราเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังนะเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดนะค่อยๆฝึกไปนะเราเรียนกันเชิงปฏิบัตินะก็คอยรู้ทันสภาวะจริงๆหัดรู้สภาวะไปมีไปคิดแล้วรู้ไหมไม่ง่ายขนาดนี้เห็นไหมไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมนะหัดอย่างนี้ไม่ใช่หัดไม่ให้ลืมนะ ไม่ใช่หัดไม่ให้เผลอแต่มาจะไม่เคยสอนเลยว่าต้องอย่างนั้นต้อ ง, องนี้ห้ามเผลอนะต้องมีสติตลอดนะไม่เคยสอนอย่างนั้นเลยทำไมถึงไม่เคยสอนอย่างนั้นเพราะไม่มีใครทำได้หรอกนะทำทั้งปวงเป็นอนัตตาสั่งให้มันเป็นอย่างใจไม่ได้ถ้ามีเหตุมันถึงจะเป็นถ้าเรามีเหตุของสตินะสติจะเกิดนะมีเหตุของสมาธิสมาธิเกิดมีเหตุของปัญญาปัญญาก็เกิดนะเหตุของสติคือการจาสภาวะได้ นี่เราคอยสังเกตค่อยะระลึกรู้นะรู้กายรู้ใจไปนะจะเกาจะขยับจะขยเยื่นไหยนะค่อยรู้สึกไปนะพยักหน้านะรู้สึกแต่ไม่ใช่นั่งจ้องรู้สึกกับนั่งจ้องไม่เหมือนกันนั่งจ้องเนี่ยนะอยากปฏิบัตินะเริ่มด้วยอยากก่อนเริ่มด้วยตัณหาแล้วก็ค่อยจ้องไว้ที่ถ้าคอยกําหนดเนะีนะ่ยคอยจ้องเอาละมันเมื่อยละมันจะพยักหน้าละมันกระดิกกดิกละอย่างนี้ไม่ใช่ของจริงนะ แกล้งทำทั้งสิ้นการรู้กายง่ายๆพิสูจทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวคืออะไรไม่เผลอไปกับไม่ใจลอยนะก็ไม่นั่งเพ่งเอาไว้เพ่งไว้ไม่เรียกว่ารู้สึกตัวเผลอไปใจลอยไปก็ไม่เรียกว่ารู้สึกตัวพิสูจทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้สึกขึ้นมามีความตื่นขึ้นมาสดชื่นนะจิตใจสดชื่น นะกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นถ่าไม่ได้บอกอะไรให้ทำกายอยู่ในท่านั้นท่านี้ท่านบอกว่ากายอยู่ในอาการอย่างไรก็รู้ว่ามันอยู่ในอาการอย่างนั้นถ้าไม่ได้บอกนะว่าจงทาอาการของกายตั้งต่อไนี้เดินท่านี้นั่งท่านี้หายใจท่านี้ไม่ได้พูดสักคำเลยนะพวกเราจะเกินเกินขึ้นมาเรื่อยๆนะยิ่งเรียนยิงนะ่งเกิดดีไปคิดราบไหม ใครฟังอาตมาพูดแล้วไม่รู้เรื่องนะงงงงรู้ลงไปเลยว่ากำลังงงอยู่นี่ปฏิบัติเสร็จแล้วนะได้ยินเสียงนกร้องมันเพราะถูกใจรู้ว่าถูกใจนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วการปฏิบัติเี่แสนจะง่ายนะคนเขาดา่าแหมความโกรธมันพุง่งเป็นริ้ว ๆ, ๆขึ้นมานะเห็นความโกรธพุ่งขึ้นมานี่ปฏิบัติแล้วรู้จักใจลอยไหมเฮ้คนเนี้ย รู้จักใจลอยไม้มนั่งตรงนี้ก็อันตรายหน่อยนะบ้งคนเ็พวกสังเกตไว้พวกเก่า่านี้เป็นวงเลยเขาหลอกให้พวกใหม่ๆขึ้นมานั่งแต่จะมีพวกเก่าคล่ำคลายพวกพวกเจนุษเนี่ยถ้ามีโอกาสจะมานั่งหน้านี่พวกรู้มากนะหนีไปอยู่ห่างๆ่อยทิติใจหนีไปแล้วนะไม่ห้ามไม่ห้าม ไม่ห้ามไม่บังคับรู้อย่างที่เขาเป็นกายอยู่ในอาการอย่างไรกายเคลื่อนไหวยังไงก็คอยรู้สึกไปจิตใจเรามีอาการยังไงมีความรู้สึกอะไรเคลื่อนไหวยังไงคอยรู้สึกไปไม่ห้ามไม่บังคับนะนะคุณปากกอนหนีไปคิดแล้วนะคอยรู้ทันไปรู้จักใจลอยไหมรู้จักก็ดีแล้วนะอย่าใจลอยนาน <c oughs> เห็นไหมเหลอแล้วเห็นไหม ดูออกไหมง่ายจะตายไหง่ายสุดๆเลยง่ายจนยากเพราะเรานึกไม่ถึงเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนะต้องทําอะไรที่เหนือธรรมดาเหนือธรรมดาเพราะว่ายากมากธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะรู้มันได้ยังไงก็ไม่รู้เพราะงั้นต้องทําดุยๆตามๆกันไปหวังว่าวันหนึ่งจะรู้รู้ไม่ได้หรอก เราอยู่กับธรรมะมาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่รู้จักธรรมะนะงั้นเดินชนธรรมะทุกวันไม่เคยเห็นเลยอะไรที่เรียกว่าธรรมะที่เราต้องเรียนรู้นะคือรูปรธรรมคือกายนี้นะกนามธรรมาคือใจนีนะ้คอยรู้กายคอยรู้ใจไปอยากรู้ธรรมะก็คอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจแต่ไม่ใช่นั่งเพ่งนะแต่ใจลอยไปเผลอไปก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เพ่งไว้ก็ไม่ถูกต้อง ให้คอยรู้กายคอยรู้ใจร่างกายกเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้จิตใจเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกไว้รู้สึกเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวสติจะเกิดขึ้นเองสัมมาสมาธิรือความตั้งมั่นของจิตก็จะเกิดขึ้นเองะตัวปัญญาก็จะตามมานีพิคิดอีกแล้วทราบไหมไม่เอานะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเห็นไหมคุณเสื้อลายๆอ่ะหันไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหม เราไปดูคนอื่นเราลืมตัวเราเองคือเราอย่าไปวาดภาพนะการปฏิบัติยากอะ่ะจริงๆเราใช้จิตใจปกติที่สุดเลยปกติธรรมดาที่สุดเลยของมนุษย์ธรรมดานี่แหละเราใช้ตาธรรมดาใช้หูธรรมดาใช้จิตใจธรรมดานี่แหละปฏิบัติทำไม่ใช่เอ็กซ์ตร้าทั้งหมดนะเหนือจริงเหนือธรรมดาทั้งหมดไม่ใช่หนีพไปคิดแล้วรู้ไหมเห็นไหมแค่รู้ทันมันรู้สึกไหมเหมือนเราตื่นขึ้นมารู้สึกไหม ที่จริงแล้วความตื่นเนี่ยแสนง่ายแต่พวกเราไม่เคยตื่นเพราะพวกเราไปหลงกับความคิดทั้งวันหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมให้รู้เฉยๆเราจะตื่นขึ้นชั่วขณะเท่านั้นเราจะตื่นได้แวบเดียวแล้วเราก็จะหลงครั้งใหม่ไม่ใช่เรื่องประหลาดนะเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาหนึ่งขณะแล้วเราก็จะหลงครั้งใหม่นี่ยหลงอีกแล้วทราบไหม <c oughs> นี่มากับใครล่ะเนี่ยอ๋อทีมเดียวกันเหรอ นี่มานั่งพอดีตรงจำหน้าได้ก็นนี้นี่เป็นไง <c oughs> เคยหักไหมมาจากฮาวายหรือเปล่าห <c oughs> นีไปคิดอีกแล้วทราบไหมรู้สึกไหมว่าเราตั้งใจทำตั้งใจทำก็ไม่เอาของปลอมนะ คือสิ่งที่ผิดมีสองงานเท่านั้นเราเรียนตรงที่ผิดนะถ้าเราเข้าใจสิ่งที่ผิดแล้วเราถูกเองเลยสิ่งที่ผิดอันที่หนึ่งนะคือเผลอไปใจลอยไปหลงไปสิ่งที่ผิดอันที่สองนะคือกําหนดไว้บังคับไว้ควบคุมไว้นะเพ่งเอาไว้นะตรึงความรู้สึกให้นิ่งๆเอาไวนะ้นี่เป็นความสุดโต่สองข้างที่ผิดหลงไปกับเพ่งเอาไว้บังคับไว้กําหนดไว้ห น, ะนีไปแล้วหลงไปแล้วทราบไหม บอกแลรวรูไหมอเออหลวงพ่อต้องการแค่นี้หลวงพ่อไม่ใช่ต้องการว่าห้ามเผลอนะหลวงพ่อต้องการแค่ว่าถ้าเผลอไปแล้วหลวงพ่อบอกแล้วรู้ว่าเผลอเนี่ยใช้ได้ละต่อไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะก็คอยรู้ทันมันนะอะไรเกิดก็คอยรู้ทันแต่ห้ามจ้องนะห้ามเพ่งคนที่ไม่เคยฝึกนะฝึกง่ายรู้สึกตัวขึ้นมาง่ายแต่เสร็จแล้วชอบไปเพ่งต่อ ส่วนพวกที่ชอบเข้าวัดนะ่ะเพ่งมันเก่งแนละแก้ยากรู้สึกไหมว่าเราก็ยังบังคับตัวเองอยู่คอยควบคุมใช่ไหมให้รู้ทันนะการควบคุมไม่ได้ทำให้เรารู้ความจริงหลักของวิปัสสนาเนี่ยให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าเราเผลอไปเราก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเราเพ่งไว้เราก็รู้ไม่ตรงความเป็นจริงเพราะมันนิ่งผิดความจริง งั้นไม่ทำผิดสองงานนะั้มันถูกเองะที่ถูกไม่ต้องพยายามทำขึ้นนะที่ถูกไม่ต้องพยายามเลยสักนิดเดียวนะอยากให้ถูกนะ่ะไม่มีทางถูกเลยอยากให้มีสติสติจะเกิดไม่ได้เลยนะเพราะอยากมันเป็นกิเลสสติมันเกิดร่วมกับ ก, กิเลสไม่ได้นะคุณประกรณีไปคิดละนะรู้ทันรู้เรื่องบางอ้างยังเห็นไหมดูออกมายัาง หัดดูไปอย่างเงี้ยนะทำไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดูไปเรื่อยๆถ้ายังไม่บรรลุดูเจ็ดชาติก็ดูนะ <c oughs> ดูไปแล้วมีแต่กำไรทันทีที่ความรู้สึกตัวจริงๆหรือสติตัวจริงของเราเกิดนะมีความสุขในฉับพลันเลยนะนั่นการที่เรามีสติอยู่เนะี่ยมีเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอนะ่ะเพราะความทุกข์ทางใจทั้งหมดเกิดตอนขาดสติเท่านั้น ถ้ามีสติอยู่จะทุกทางใจไม่ได้เด็ดขาดเลยเพรั้นแค่มีสติขึ้นมาตัวจริงแค่รู้สึกตัวขึ้นมาได้เท่านะั้นจิตใจก็มีความสุขแล้วตื่นขึ้นมารู้ตื่นแล้วก็เบิกบานในฉับพลันเนะ่ยหนีไปฝันแล้วไม่เปิกบานล้วนะเดี๋ยวบังคับมันนะเริ่มบังคับแล้วทราบไหมแนะม้มันจะสุดโต่งสองข้างไม่เผลอไปก็จะบังคับไว้ มันให้มันเผลอไปแล้วรู้ไวๆดีกว่ากลัวเผลอถ้ากลัวเผลอเนี่ยจะคอยบังคับไหมนะงั้นอย่าไปกลัวเผลอนะเผลอเป็นเผลอสิอย่า ก, กลัวหลงหลงมาตั้งหลายชาติแล้วหลงอีกหน่อยไม่เป็นไรนะสามสาวเนี่ยชอบบังคับไหมนะ <N> นั่นแหละเออไม่คนนี้ไม่เท่าไหร่อ่ะหนูนานี่มากับใครเออเนี่ยมีคนเดียวะที่ไม่บังคับเพราะ ค, คงไม่ค่อยได้ปฏิบัติสามคนนี้นักปฏิบัติเลยชอบบังคับไว้นั่นแหละสามคนแหละเอาละเดี๋ยวเราพักสักครู่นะนนคุณแม่วูไรคุนไม่ได้ปวดมหมเจ้าค่ะดีไหมโมยังไม่พร้อมจริงเจ้าค่ะ ครูบาอาจารย์ดู